พร้อมอยังพร้อมอยังยังไม่พร้อมเนาะใจยังวอกแวกอยู่ทำความรู้สึกตัวไปแลวพ่อไปไปกราบหลวงปู่สิมจริงเดินขึ้นบันไดไปสูงเนี่ยทาไปถึงเนระับเห็นมีกรดกลางอยู่มองเข้าไปไม่เห็นหลวงปู่ประตูข้างหน้าก็ปิดเป็นประตูยืดยืดแบบตึกแถว ถามพระว่าหลวงปู่อยู่ไหมบอกูอยในกรดนั่นแหละดูไงก็ไม่เห็นนะกรดก็ไม่ใช่ว่าหนาพอทีมที่เขาตามขึ้นมาครบนะมาครบนะท่านก็ออกมาจากกรดนะมาเปิดประตูบอกเห็นขึ้นเขามาเหนื่อยๆเลยให้นั่งพักก่อนเวลาเดินทางมาเหนื่อยๆใจยังไม่พร้อมจะฟังธรรมะเหนื่อยไปไม่ดี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 ถ้าเมื่อไหร่รีแลกซ์นะมีความสุขมีความสบายจิตใจผ่อนคลายนะสมาธิมันจะเกิดเองแหละเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในสิ่งที่เราจะเรียนนะมีสองอันนะเรียนเรื่องสมถะอัหนึ่งเรื่องวิปัสสนาอันหนึ่งสมถะเอาไว้พักผ่อนทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าต้องมีความสุขถ้าเครียดนะไม่มีความสงบหรอก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 เล่นไทยแล้วมีความสุขเนี่ยอย่ามาทำสมถะทำไม่ได้อะนะดูบอลมีความสุขมากเลยบอลโลกบอลอะไดูรัตาแดงงานการไม่ค่อยทำเลยนะถึงดูเล่นบอลมีความสุขอย่างนั้นไม่สงบใจฟุ้งซ่านมันเล้ากิเลสมากไปต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยพุทโธไม่ยั่วกิเลสนะลมหายใจไม่ยั่วกิเลสท้อง่องยุบไม่ยั่วกิเลสอย่างเงี้ยหาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส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 ไปฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขอีกมีใครเคยไหมตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้กลุ่มมากกว่าเก่ามีไหมก็บ้าเท่านั้นแหะทำอย่างนั้ น, นไม่มีหรอกไปดูหนังอ่ะมีใครเคยวางใจไหมไหมว่าจะไปดูให้ทุกมากกว่าเก่า <c oughs> เราเที่ยวไปดูเราเที่ยวไปฟังเราเที่ยวไปกินลิ้มรสอาหารนะเที่ยวไปหาสัมผัสมาให้ตัวเองนุ่มนวลออนโยนโอบอุ่นสบายอะไรเงี้ย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 อย่งสวดชินชนบะบันชรนนกว่าจะจบนะใจลอยไปตั้งหลายรอบแนละ้วไม่สบายนะบางทีถ้ายิ่งสวดไม่ชํานาญนะสวดแล้ว เ, เครียดถ้าต้องคอยนึกถึงไหนระหวา่าถึงไหนระหวา่างมาถึงนี่เราจะไปไหนอีกอนะไรเงี้ยแต่พอสวดชินนะสวดจนจบเลยยังไม่มีสติเลยใครเค <laughs> เป็นไหมสวดมนจนจบแล้วไม่มีสติเลยตายระห ว, วา่าพระพุทธเจ้าท่านจะได้ยินหรือเปล่า <laughs> สวดไปจริงจบตุกแกฟังใจเราหนีไปที่อื่นนะื้อหาอารมณ์นะที่มีความสุขนะแล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์อันนั้นอย่าใจเลื่อนลอยไปเ่สวนมนต์มีความสุขแต่ใจเลื่อนลอยไปนะสวเแล้วเพลิ น, ล น, ลนขาดสติก็ไม่เอาให้มีเรามีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนๆกันหมดนะไม่ดีไม่เ็วต่างกันนะสานักไหนคาสอนนันไหนใช้ได้ทางนั้นนะ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 เป็นความคิดก็ได้อารมณ์ที่ใช้ความคิดเอาเรียก อ, อารมณ์ปัญญันะเช่นท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะคิดถึงแต่พุโทโธมีความสุขก็ขสงบได้พิจารณาร่างกายเป็นป ต, ติกูณสุภษนะพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าไม่กลัวผีนะไม่กลัวความขยักขยังน่าเกลียดเลยนะบางคนพิจารณาสุภาแล้วจิตสงบนะราค่าแรงๆพิจารณาสุภาราค่าหายไปจิตสงบนี่เรื่องของสมถนะ ใช้ความคิดก็ได้ใช้เรื่องราวที่คิดคิดถึงร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังนี่เรีย ก, กายยะคตาสติก็ได้คิดถึงทานที่เราทําแล้วด้วยดีเราเคยทําทานชาตินี้เคยทําทานเคยใส่บาตรหนึ่งครั้งมีสิทธิ์ปลื้มใจไหมใส่บาตรหนึ่งครั้งมีสิทธิ์ปลื้มใจแล้วควรจะปลื้มใจทั้งชีวิตด้วยนะทุกครั้งที่คิดถึงจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นมหากรุสุครั้งใหม่นะ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 แต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวนะกเราขืนไปปาดเข้าก็ตายเปล่าๆตกนรกอีกนะทำไมท่านพอนามาตลอดไม่สำเร็จเลยคงจะพยายามมากไปจิตไม่สงบหรอกภานาไงก็ไม่สำเร็จท่านรู้รูปนามเป็นไหมต้องรู้วิธีแหละก็จะตายเข้าจริงๆยงดูได้เลยนะแต่จิตไม่ยอมสงบเลยเพราะท่านคิดถึงศีลของท่านนะ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 ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นอารมณ์อะไรเพราะนั้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ทําสมถะได้แต่ทํำวิปัสสนามไม่ได้ไม่มีเกิดดับให้ดูงั้นสมถนะนี่ยไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้เราเลือกเอาที่เราสบายใจอยู่กับมันแล้วรีแลกซ์อยู่กับมันแล้วไม่ยั่วกิเลสแล้วก็มีสติมีสติรู้ว่าอารมณ์มันนั้นจะอย่างสบายๆจิตจะสงบหรือจิตจะไม่สงบเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา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 เห็นร่างกายหายใจไปธรรมดาธรรมดาหายใจไปสบายสบายรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจรู้สึกรู้สึกรู้ไปสบายสบายไม่หนักไปไม่เบาไปไม่เคร่งเครียดไปไม่ผ่อนคลายจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไปเลยเอาพอดีพอดีตรงพอดีนี่แหละเป็นศิละปะล่ะจะต้องไปหาเอาเองกว่าจะพอดีได้ก็ยากนะฝึกกันนานเลยกว่าจะพอดีถ้าพอดีเป็นนะฟุ๊บเดียวก็เข้าสมาธิละ พลิปตาหนึ่งก็ช้าไปแล้วนะพระโมคคลานะเข้าสมาธิเร็วเร็วเบอร์หนึ่งในบรรดาสาวกบค้ังหลายเคยมีพญานาคตัวนึงตัวใหญ่นะมาอ้าปากแล้วท้าพระชูหัวอยู่ในอากาศด้วยนะท้าว่าใครแน่จริงนะห่อเข้ามาในปากนะแล้วออกจากสมาธินะแล้วเข้าสมาธิใหม่แล้วห่อออกมานะไม่ใช่เข้าสมาธิอยู่ปุ๊บอย่างนี้พญานาคถือว่าขี้โกง มาท้าพระ <c oughs> พระสารีบุตรนะอาสาพรุทธเจ้าจะเข้าไปพระเจ้าไม่อนุญาตไม่ทันงูงับปากเร็วไหมงูงับเร็วนะปุ๊บเลยนะจะต้องเข้าสมาธินะเข้าไปในปากออกจากสมาธินะแล้วเข้าใหม่นะแล้วออกนะเนี่ยในเวลาแค่เนี้ยก็มีองค์เดียวที่ทําได้แม้ท่านมีวสีอย่างแรงนะ องค์อื่นทำไม่ได้หรอกพวกเราคืินเข้าไปก็ตายเงั้นยงเนเคล็ดลับมอยู่ที่การวางใจวางใจให้พอดนะีเคล็ดของการทําสมถะก็ไม่มากแรกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมีความสบายไม่ยัว่วกิเลสอันที่สองมีสติระลึกรู้ด้วยน้ําหนักที่พอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนนะตัวนี้ต้องไปหาเอาเองแต่ละคนนะความจริงมันเหมือนกันนะสภาวะที่พอดนะีเหมือนกันทุกคนแหละ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 ตั้งน้อยๆนะแล้วมันทําได้เยอะตั้งเยอะๆเริ่มจะทําไม่ไดนะ้บางคนตั้งนะเริ่มต้นแนละทุกวันต่อไปนี้จะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงทําได้วันแรกนะวันที่สเหลืออย่างละครึ่งชั่วโมงวันที่สามเอาไว้ก่อนแนละ้วกคนะติดไว้ก่อนนะเอาพอดีๆนะตึงนิดๆแบบที่ลำบากนิดๆตั้งสัจจะไว้แบบทําแล้วลำบากนิดๆ เช่นเราตั้งนั่งสม า, นะาธินะได้สิบนาทีเนี่ยอึดอัดหน่อยๆแล้วอยากจะเลิกแล้วถ้าสิบห้านาทีนี่โลกจะแตกเราทนไม่ไหวล้<ม>อย่าไปตั้งสิบห้านาทนะีเอาตั้งสิบนาทีถ้าแปดนาทีพอดีมีความสุขอย่างเดียวเลยนะก็น้อยไปเพิ่มสักนิดหนึ่งนะให้ตึงไว้นิดหนึ่งนะมันจะค่อยๆอยัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้แต่ไปนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้นะค่อยๆฝึก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 เป็นส่วนรูปประทับใจเป็นนามมรทมอันเดียวถ้าพวกเรื่องมากเอาธาตุเลยมีทั้งสิบแปดรูปจํานวนมากนามจานวนมากอันนี้สําหรับพวกเรื่องมากนะแต่ว่าจริญนิสัยคนบางคนต้องเยอะๆถึงจะพอถ้าน้อยๆไม่สะใจอันนั้นว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะสร้างของเขามาอย่างนั้นนั้นเราแยกหัดแยกขันแยกธาตแยกอายจตนะขันธาตุอายจตนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วย่อลงมาก็คือรูปนามนั่นแหละไม่ต้องตกใจ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 จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นคือจิตทรงสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสติะระลึกรู้ขันแต่ละขันแล้วจะเห็นขันแต่ละขันแสดงใจรักต้องอย่างนี้นะ เ, เชิญไปทานข้าวไปนี่มลเลยครับ